ต้องทนนะนั่งภาวนาบางคนเราภาวนาแค่นี้ไม่กี่นาทีนั่งกระซับกระใสต้องอดทนนะมันกระซับกระสายหรือมันเจ็บหรือมันปวดหรือมันอะไรรู้ปัญหามันสิเราจะคอยให้มันหายเฉยเฉยได้งไงนั่งแค่นี้จะเป็นนานอะไร อ่อนขาดใจตายไปเลยตั้งใจได้นั่งให้เวลามันล่วงไปเฉยๆนะไม่ได้ตั้งใจนะไปกำหนดดูไปเชา้าเก้าเนยท่านพูดถึงอะไรบ้างไปกำหนดดูนะเนี้วท่านกม็มาเสว ยามปีโคกัโยเอวัธรรมโเอวังาวีเอวัอนาติตโตปัจฉาทั้งเเวลานมสุขจะมาสุขตรงอยนี้เราดูเหนแล้วเรามาสรุปโอ้มันธรรมดามันเป็นอย่างนี้เอวังาวีเป็นอยู่อย่างนี้ เราณนาทีโตไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าใครเท่านั้นจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้จนเราเหนทัานทั้งายนอกอัจจตังวากายกายานุปสิปารติภิตวากายายานุปสิปารติพิจารทั้งภายในทั้งภายนอกอจตัมภิทาวากายายานุปสิ สิงทีติเหตุนั้นสิ่งที่เราควจะต้องดูแลให้ดาปฏิวัติงมัตตาญะติสุิมัตาอิสิโจัตินาจับพิจิโรเปาดิยาติบทสรุปบทสรุปแะบทประชานเกาบทสรุปะบทบทสรุปบท ยังพิโคกันอยู่เยบบ า, ยบบาวังทำโมเยบบาวัง a าวีเยาวังอะไรที่โตติเราให้พิจารณาเหตุกา t ณ์ข้างในกับข้างนอกข้างในก็หมายถึงข้างในข้างในใจน่ะก็ได้ข้างนอกหมายถึงรูปที่เราเห็นด้วยตาเนื้ อ, อก็ได้ที่เราหลับตาแลเห็นอยู่้างใน เป็นตาในนีก็ได้ทั้งภายในทั้ภายนอกหรือเห็นที่ตัวเราถือผักภายในก็ได้เห็นที่ตัวคนอื่นสัตว์หรือข้างนอกเป็นภายนอกก็ได้เวลาทำงานไปแล้วมันก็เป็นที่ใจมันบอกที่ใจสำคัญที่ว่างานมันทำที่ใจเอาใจมันเป็นผู้ทำเอาใจมาเป็นตัวทำ ทำไปแล้วอะไรก็ตามข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามใจเป็นผู้เขาเ้าไปรู้เห็นมังกันหมดทำเพื่อเกิดเบื่อเกิดหน่ายเกิดคลายเกิดจา่าดูให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจา่าเะั้นมันดีใจกับที่มันไม่เป็นอะไรมันเสียใจกับอไที่มันเกิอะไร เสีใจกับไอ้ที่มันเป็นอะไรดีใจกับไอ้ที่มันไม่เป็นอะไรที่เขาแบบมียินดียังมียินร้ายเนี่ยมันไม่ใช่ ก, กลางมันดูไม่เห็นธรรมโอ้เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันปลงใจมันปลองคงเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่เป็นเป็นบทที่ปล่อง ปล่อยอย่ากถึงจิตถึงใจทีเดียวเลยลเป็นคนที่ปลงทิ้ปล่อยป่าช้าดูป่าชาไปป่าช้าไปดูให้ ด, ปป ด, หดูเดี๋ยวนี้มไม่มีปชาช้าไปดูแลสมัยตก่อมีปชาช้าผีดิบผีไม่มได้เผาไม่ได้ฝังนะเาเรียกผีดิบผีดิบ พีตายหงีตายหาพีตายแก่ตายเท่าตายเด็กตายเล็กตายอะไรก็แล้วแต่สมัยเด่กอนมันมีโคกโคกหนึ่งมันมีดอนดอหนึ่งครับเอาประโยชน์ทิ้งสมัยมีชีวิตอยู่อยู่บ้านอยู่ดีมีสุขมีน้ำสํำราญมียศมีศักดิ์มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอะไรอะไรตายแล้วก็เอาไปทิ้งนานใช่ไหม านางเสดมาในสมัยกุกาลนางเสดมางามงมพระพระบวชใหม่อองหนึ่งไปเห็นครั้งเดียวนะโอยกลับมานี่ฉันไม่ได้เลยฉันไม่ได้เลยสมัยุกาลเนี่ยนางเสดมานางเสด็ม า, นมาเ น, นาง เป็นหญิงงามเ ม, มืองงามมากเห็นแบบเดียวน่โอ้โยจิตใจมันปั่นป่วนมันพันอยู่ในในะหัวใจเนี่ยไมเพจทองข่าง เ, เห็นแล้วครับหัวใจเต้นเดก็กเด็กเด็กเด็เ็ดนาสรีมาเนะี่ยมนให้พระประชันที่บ้านอพ ร, ระประชันที่บ้าน พระที่เขไปฉันมาไปเห็นหนาโอ้มาเล่าคนนั้นก็มาเล่าคนนี้ก็มาเล่าพระหนุ่มวงหนึ่งพระบวชใหม่โอ้อยากไปอยากไปเห็นแล้วเกินใจมันเราร้อนไม่แค่เขาเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละใจมันเร่าร้อนมันไม่เป็นพระสุขเลยอยากเป็นจะากตายเอาให้ได้เลยอ่าพอดีช่วงที่ไปตอนนั้นน่ะ ช่วงที่ไปตอนนั้นพอดีนางสลีมาป่วยพอดีนางสลีมาป่วยพอดีนี่มันให้เป็นฉันเขาต้องไปประคองมาประเคนทหารเลยอะไรอะไรเลยนี่ขนาดป่วยแท้ๆเนี่ยพระรนงคงนี่ไปเห็นโอ้โหที่ตกทิศใจกลับมาเนี่ยอาหารเต็มบาทมาในฉันไม่ได้เลยนะจิต <c oughs> ใจนางสลิมาฉันไม่ได้เลยทิ้งอยู่งั้นนะจนเน่าเฟะอยู่นั้นแนะ่ะ นอนรำ บ, บึงรำพันบนเพลละเมืบบอพกอยู่นั่นแหละจิตใจในรูปของนางสตรีมายิงยิงงามเมืองเนยญิงอำเภอสมัยนั้นน่ะมีเกียรติโอผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายระดับแถบบ้านแถบเมือ ง, งนั้นน่ไปต้อนรับเขาคือรำพันขาพนะนน้อยอะไรคันทุลักพันคาพนะถ้าเป็นอย่างเราตู้วันอีเท่าไหร่อะ เป็นแสนเป็นล้า น, านมั้งคืนหนึ่งคืนหนึ่งพันคาหาพนธสมัยนั้นมันไม่รู้เท่าไรเท่าไรคืนและพันคาหาพนธ์ทีนี้เรื่องเหตุที่ป่วยนี่แหละตายาตายหลังจากที่พระหนุ่งงงนี่ไปฉันไม่กี่วันน่นามสีมานี่ตายนะไปบินจักาล ที่นางสลิมาเห็นเขาประคองนางสลิมม า, าถ้าท่านที่ป่วยอยู่นั่นโอ้โหงามเหลือเกินติดอกติดใจไม่ได้ฉันแน่พระองค์เนี่ยสมัยแต่ก่อนน่าจะไม่ได้ดูไม่ได้อะไรกันแหละมาขัดกุฏิใครกุฏิเราเอาไปบาดเน่าออเฟะอยู่ในนั้นนะ่ะข้าวที่ไปอามาไม่ได้ฉันนั่นนะ่ะนอนระเมอบนเพออยู่นั้นแหละอืะพุิธเจ้าท่านก็นดูท่านก่เห็นเห็ น, หนโอ้พระนุ่งองคนี้เดี๋ยวจะทําให้สลดใจสันหน่อย ปนศิศาสลมาตายตายเขาก็เลยไปกราบทูลพุทธเจ้าอนัสิมาตายแล้วจะจัดการยังไงไปเจ้าข้าให้เอาไปเห่ให้เอาไปประกาศขายพันขาพนะมันมีใครเอาตายแล้เ น, นี้ยตอนเนี้ยไปประกาศขายพันขาพนะกลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อย อ่าเก้าร้อยาปนะแปดร้อยห้าร้อยหกร้อยหร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยไม่มีใครเอาขายสดนานสรีมานะไปประกาศขายอา้อาวไม่มีใครเอาอ้าวให้ฟรีๆไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาไม่มีใครเอา เอาเผาเผากวอนนั้นพุนทธเจ้าเอออนุญาตให้พระทั้งหนุ่มทั้งไม่หนุ่มไปไปเผาชมนาสดีมาให้ไปดูพระองคนี่ก็ไปดูแล้วก็ไปเห็นโอ้สุขใจารยนะโอ้ยตอนนี้กับตอนก่อนนีม่มีคุณค่าอะไรเลยนอะสมาัยในนัยฟ่อนฟอนป่วยจะเป็นจะตายอยู่แล้วสวงามเลยนอะนะ พอใจขาดเท่านั้นเลยให้ใครฟรีก็ไม่มีใครเอาสงปปองวันสาวันล่วงไปก็ขึ้นเอื่อมละเผาถ้าที่จริงยุคตั้งแต่พุทธกาลมาจนถึงยุคนี้ก็ตามมันมีทั้งเผามีทั้งฟังนะเมื่ออย่างประชาผีดิด ม, มันก็มีมาตั้งแต่สมัยนั้นยุคนั้นเลยคือผีที่ไม่ได้เผาไม่ได้ฟังมันเป็นประเพณีน่าจะเป็นบางท้องถิน่นอาจจะไม่เผาบางท้องถิน่นอาจะเผา ไม่เผาไม่ฝังเอาไปโยนทิ้ง่ะประชาชนย่งดิบงั้นน่ะผู้ที่จยากจะสอนงนี้เลยสอนให้ไปย่ำประชาเนี่ยสอนให้ไปย่ำประชาสอนให้ไปดูความจริงเนี่ยก็พิจารณาดูศพแล้วก็มาพิจารณาดูเราขึ้นอือขึ้นพองหลงไปแล้วท่านั้นวันหอกไปแล้วท่านั้นวันขึ้นอือขึ้นพองขณะขึ้นอือขึ้นพองขึ้นเขียวหมดเต็มตัวเนี่ย เราไม่ต้องคำนึงเลยเรื่องกลิ่นกลิ่นจะขนาดไหนกลิ่นเม้นอุจาจาระจิตบาดใจที่สุดคือกลิ่นคนนี่แหละเหม็นขนาดไหนกลิ่น ม, มันขนาดยังไม่ตายยังเหม็นเราลองไปหายใจรดกันลองดูที่หอมขนาดไหนอลองพ่นปาดใส่กันทุกหลกตาทำไมไอพ้พนไอพ้พนลองพ่นใส่กันดูดู ขนาดไหนไแค่มันผายลงผายลงลงในท้องในไส้มันหายลงไปหลังมูสีนั่งันรถไปสบายๆใครไปแอบปล่อยไม่รู้เลยหาไม่เจอดอกโอ้โห <c oughs> ต้องทนขนาดไหนนีมนุษเหม็นทั้งๆที่เป็นๆ น, นี่เลยติดตัวติดใจแล้วเกินมนุษย์เนี่ยแท้ที่จริง ที่มันเสียงสั่ปั้นแต่ประสวยนึกเกินงามนึกเกินมันนึกคิดมันหลอกหลอกที่ใจนั่นแหละมันหลอกที่ใจนะ น, นึกคิดว่าโอ้หรนูนึกเกินะมันในใจเพราะเวลาไปดูด้วยตาจริงจริงเนี่ยดูเป็นกระตามดูตายก็ตามไปดูด้วยตาจริงจริงดูให้เห็นด้วยตาจริงๆเนี่ยอ้า ตอนนั้นกลับไม่ถูกโดนหรอกกับไอที่ไปนึกคิดหลับตาเห็นรูปเห็นอะไรอะไรมันคนละเรื่องกันเลยมันคนละเรื่องกันเลยเราที่ตั้หามันฉาบฉวยแล้วมันหลอกมันหลอกจิตเราข้างในมันต่างกันมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ไปดูของจริงโอ้ของจริงเป็นอย่างนี้ไอของที่มันเป็นสัญญามหลอกในใจของเรามันไปอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นความจริงมันอย่างนี้อ๋อมันมีอย่างนี้เป็นธรรมดาดูสิมีสีมีสารเป็นยังไงเป็นไงดูให้รู้ดูให้เห็นมีกลิ่นเป็นยังไงดูให้เห็นตายลงไปแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันเอาไปทิ้งป่าช้าผีดิบเริ่มขึ้นอืดแมงวี่แมงวันเริ่มไปเจาะแมงวันเริ่มไปเจาะแมงวันไอะประเภทไปไข่เป็นรังเป็นรังเป็นรังเป็นกองเป็นกองเป็นกองไอ้ประเภทเป็น เป็นไปปล่อยเป็นตัวเป็นตัวเลยปุ๊บเป็นตัวเลยปุ๊บเป็นตัวเลยเข้าไปชอนชย้ยุเย่เยื่ยุยเย่อยุบ ย, ยับยุบยับเนี่ยเนี่งวันงานของเขาแหละเนี่ยถ้ามีที่ไรเมื่อไรเนี่ยงานของเขาแหละกลิ่นเรี่ยไรมากอืมีของที่มีกลิน่นเนี่ยเมงวันมาแนละ้ว ม, นะมาจากไหนไม่รู้เลยอยู่ป่าอยู่ดงกงขนาดไห น, นมาแล้วมาจากไหนก็นไม่รู้หัวเขียวหัวดำตัวเล็กตัวใหญ่มาแล้ว แท้ที่จริงไอ้ตัวเขียวจริงๆไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ตัวดำๆตัวใหญ่ๆอันนี้ในในในทองมันนะมันเป็นตัวจริงเป็นตัวเป็ น, เปนๆเลยนะมันมาปล่อยเนี่ยปั๊บปัปั๊เนี่ยเด่นรับรับเข้าไปในแผลเลยนะมีรูมีอะไรตรงนั้นมันเข้าไปชอนไปใช้อยู่นั่นแหละงานงานของเขาแล้วน ะ, นะปล่อยลูกปล่อยหลานเข้าไปแล้วไอ้คนนี้โต โอยเจาะไปนู่นเท่าเม่ดข้าสานู่นน่ะวันคืนลงไปโอ้มันอยู่จนขนออกก็น่ะนอนเจบยู่ยเยอยู่ยียยู่ยเย่ย่เยแล้วดูเราดู้ให้เกิดความสลบใจสังเวชใจหน้าเสอิดเสีเอียนหน้าเบื่อหน้านายเรารู้สิ่งล่านั้นแล้วก็ดูย้อนมาดูที่ใจ ดูสิ่งนั้น ก, ก็ย้อนมาดูที่ใจเราดูที่ใจเราแล้วก็ย้อนไปดูสิ่งนั้นดูสิ่งนั้น ก, ก็ย้อนมาดูที่ใจของเราดูเพื่อให้ยอมรับความจริงโอ้เอวังธ ร, รมโมมีนี้เป็นนี้เป็นธรมรมดาเอวังภาวีเป็นอยู่อย่างนี้เอวังนาะติโตโลกพ้นความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เขาก็ตามเราก็ตามใครก็ตาม ไม่สำคัญว่าชาติชั้นวันนั้นไหนไม่คุณไม่สำคัญว่าตระกูลยศสูงต่ำขนาดไหนก็ต่ำว่าแต่สรางมนุษย์เหมือนกันหมดสรางมนุษย์เหมือนกันหมดไม่มีเว้นไม่ไม่มีหลีไม่มีเว้นลงไปขึ้นขึ้นพองเน่าเปื่อยนอนจอบโยเยอยุย่ำพวกสัตว์หมาจอกม้าจริงหมาจอก แรงกานกตะกรุ้งมจิกมากินเป็นท่อนเป็นท่อนกินเลือดกินเนื้อกินเนื้อจนหมดเหลือแต่เส้นเอ็นรักเรีงกระดูกอยู่เหลือแต่กระดูกมีเลือดมีเนื้อติดอยู่จนเหี่ยว ja แห้งไปเหลือแต่เส้นเอ็นรักเึีงอยู่เลยนั้นไปอีกเส้นเอ็นขาดเหลือกระดูกเป็นท่อนเป็นท่อนกองอยู่เหลือจากนั้นไปอีกวันคืนร่วงไปเดือนนั้นล่วงไปปีนั้นเท่านั้นปีล่วงไปฉะนั้นปีล่วงไปกระดูกที่เคยเป็นชิ้น ชัดเจนนะครับเริ่มเปลือยเป็นจุนจุนนกกระจตานิ่งแต่หเป็นจุนเป็นผมเหมือนแป้งนะเป็นจุนเหมือนแป้งถึงคราวที่เขาหลุดนะกระดูกนั้นไปอยู่ตรงนั้นกร ะ, ะดูกนั้นอยู่ไปอยู่ตรงนั้นกระดูกนั้นหลุดไปกระดูกนั้นหลุดไปกระดูกนั้นหลุดหลุดไปที่เราสวดกี๊กระดูกหน้ากระลุไปกระดูกหัวกระดูก อรปลากระดูกฟันกระดูกอะไรต้นกระดูกกหลกรูปไปอนั้นกระลุกไปอนั้นกระลุกไปนั้นกลุกไปมันคือรูปไปนานๆเ้าเริ่มเปื่อเริ่มปุ่เริ่มอะไรเป็นปุยเป็นผง่ะแผ่นดินโกรกมาหายเงียบไปหมดกลายเป็นธาตุดินไปทั้งหมดที่เราไปเปลี่ยไว้เป็นก้าวที่เราท่าเรียกว่าปาชาเก้าปาชาเก้าเราดูสิดู เกิดความเบื่อหน่ายดูยังไงก็ตามผลที่เราจะเพุนได้คือเอาความเบื่อหน่ายที่ใจเอาความเบื่อหน่ายที่ใจของเราความเบื่อหน่ายนี้เราดูของจริงมันก็เบื่อหน่ายเราดูสัญญาที่มันสร้างขึ้นมาที่ใจของเรามันก็เบื่อหน่ายได้ของจริงก็เบื่อหน่ายได้ดูเป็นสัญญาก็เบื่อหน่ายได้ ท่านเอาไอ้ตัวเบื่อหน่ายเลยเบื่อหน่ายไปจิตมันก็ปล่อยว่าไอ้ต้องโชคที่เบื่อหน่ายนี้ท่านให้ดูดูเพื่ออะไรเพื่อไม่ตันหามันเกิดโดยปกติเราดูโดยธรรมดาธรรมดานั้นนะเราดูไม่ค่อยได้กับถ้าเราไม่ดวยให้เห็นเป็นของปฏิกูลเราจะดูไม่ได้เราดูเป็นของปฏิกูลเหมือ น, นกับว่าเอาความปฏิกูลมาปิดมากัน้น กันไม่ให้มันกำหนับกัก้นไม่ให้มันยินดีท่านจึงเอาปฏิปูลมากลิ่นมากัน้นแต่ถ้าไม่เอาปฏิปูลมาใส่ดูให้เห็นเป็นสีเป็นสันจริงจังเข้าสักหน่อยหนึ่งอาวตั้หามสวงก่อยออกมาแล้ก็เรินะ่มแล้วดูให้เห็นเป็นอสุภะดูไปดูไปกลายเป็นสุภะขึ้นมาแล้วนานเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วมันกำหนับที่ใจนะเกิดความกำหนับกำหนับที่ใจ ถ้าใจมันกำนัดเลยเน่าเฟะเขียวเหลืองกลิ่นฟุ้งทำอไรถ้ามีความกำนักที่ใจแล้วมันยินดีมันพอใจหมดมันสวยหมดมันงามหมดถ้าใจมันกำนังใจมันยินดีแล้วทางทั้งทั anyway ้งสิบลนเน่าเฟะอยู่มันเห็นว่าเป็นสวยเห็นว่าเป็นงามด้วยความกำลังเสริมสืบสานอยู่ข้างในท่านจริง ดูให้ดูเขาห น, น่ยอย้อนมาดูที่ใจดูที่ใจแล้วก็ย้อนไปดูดูภาวะของปฏิกูลเหล่านั้นอ่ะแล้วก็ย้อนมาดูที่ใจดูที่ใจและะ้วก็ย้อนไปดูที่ดูที่รู้ย้อนมาดูที่ใจงานอันนี้เป็นงานนะใครขยันทําก็ขยันได้ใครขี้เกียจทำก็ำก Bow นะก็ไม่ได้เหมือนงานทั่วไปใครขยันทําก็ได้เข้าใจรู้เรื่องใครไม่ขยันทําขี้เกียจนี้ครับก็ไม่ได้ เหมือนงานทั่วๆไปคนที่ขยันก็ได้ได้งานถ้าเป็นงานต้องแลกเป็นเงินก็ได้งานก็ได้เงินอได้เงินก็ได้งานถ้าโดยที่เกียร์ก็ับงานก็มาได้เงินก็มาได้งานดีเงินก็ดีงานไม่ดีเงินก็ไม่ดีงานไม่ได้เงินก็ไม่ได้นี่เป็นงานมางานข้างใ่ขยันไหม อาศัยความขยันต้อาศัยความขุชาต้ออาศัยความพยายามอยู่แบบขี้เกียจขีค้านไม่ได้ขี้เกียจขีค้านคือไม่ได้ทําเหตุใดๆเพื่อผลใดๆทั้งนั้นอยู่ลอย ๆ, ๆอยู่ซื่อๆอยู่สบายๆอยู่ปลอยจิตใจปรุงนึกคิดไปตามเรื่องตามราวต้องอยู่อย่างขยัน อยู่แบบขี้เกียจไม่ได้ยิ่งเป็นพระขราแล้วอยู่แบบขี้เกียจไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ผิดหลักเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยปัจจัยสิเพราะเราว่าพิจารณาปัจจัยสิ่งไ่ั้น ก, กลายเป็นว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการบริโภคปัจจัยทั้งสิบไม่มีสิทธิที่จะบริโภคบริโภคอย่าเขโมอว บริโภคอย่างเป็นนี่บริโภคสืบทอดทำธรรมธายาบริโภคบริโภคอย่างเป็นนายบริโภคอย่างขโมยบริโภคอย่างเป็นนี้นี่พวกเรามันเข้าหมดเลยพวกเราอยู่วัดพวกเราบริโภคอย่างขโมยคือไม่ตั้งใจรักษาศีลผิดศีล บริโภคอยาขโมยบริโภคอยาไม่พิจารณาแต่ว่าบริโภคอยาเป็นนี้ทต้องให้พิจารณนาะบทสัจสังขโยชั่งยายอยู่เป็นบทพิจารณนาะอาศัยสัตาอาศัยตับใจเราดีอาหารขนุข้าวหอมที่อยู่อาศัยหยกยา ร, การักษาโรคเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่เป็นปกติเป็นภาสุ เรตั้งใจศึกษาธรรมพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อลักตัณหาลักขันธ์ในหัวใจไม่เพื่อไม่บดิฟโภคเพื่อบำรุงกิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจของเราท่านบริฟโภคอย่างนี้ท่านพิจารณาอย่างนี้ถ้าไม่พิจารณาเป็นนี้หนึ่งวันไม่พิจรารกก็เป็นนี้สองวันไม่พิจารณกก็เป็นนี้สาวันไม่พิจารณกก็เป็นนี้โดยเฉพาะอย่างพวกเราเราพิจารณาจนคล่องจนช้ำชอก พอจับอาหารจับปากบาดปับมันก็ขึ้นเลยนะพิจารณานอกจากพิจารณาแล้วก็กำหนดจอดพิจารณาไปฉันไปพิจารณาไปฉันไปพิจารณาไปฉันไปไม่ใช่ฉันด้วยความรุ่มร้อนฉันด้วยความติดรถติดจาไม่ใช่อันนี้ในขณะที่เราบริโภคใช้สอนจากนั้นแล้วเราอยู่อย่างมีข้อวัดปฏิบัติ <c oughs> ก็วัดปฏิบัตินี่แหละเป็นเดือนให้เราไดบ้บุญแค่เราทําข้อวัดไปจําวันแต่และวันแต่และวันแต่แ ว, นตวันเราก็ได้บุญได้บุญคุมค้มค่าคุ้มค่าที่จะให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่เราทําบุญให้งเราคุ้มค่าฉันอยากพิจารณาฉันเสริมทำนาทำสมาธิเดินยันกรงทํำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สําคัญที่สุดข้อวัดทิ้งไม่ได้ ปฏบกาเจ็ผถูปูอาสนะอะไรจ ะ, ะไรเนี่ยซึ่งเป็นงานของเราทำความสะอาดเป็นขอ่อวัดดูแลรักษาวัดแม้เราเดินจงกรมประจำเป็นประจํทาท่นาทนก็เรียกข้อว้านทาวัดเช้าทําวัดเย็นท่านกเรียกข้อว้านเดินจงกรมนั่งสมสาธิภาวนาเป็นประจํทาท่านก็เรียกข้อว้านทิ้งไม่ได้เอาคําว่าขี้เกียจ ข, ข, ขี้ข้าดมาอ้างไม่ได้ เพราะงานนี้เป็นงานที่ต้องทำไม่ทำาเป็นหนี้จนกว่าเราจะมีทำในใจที่เป็นเป็นผู้ได้ทานได้ทำตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปถึงกรน่าก็ตามท่านก็ทำจนคล่องของท่านทา่านทำเป็นคล่องของท่านยิ่งเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วไม่พิจารณาก็ได้ ฉันด้วยความเป็นนายบริโโยด้วยความเป็นนายสามีจิต บ, บริโโคสามีบริโโคสามีแล้วมันนายบริพโยอย่างนายบริโโคอย่างนายตราบใดที่เรายังไม่ได้ทำยังไม่มีอัน ม, มีทำเราอยู่อย่างผู้อาศัยเหมือนกับผู้อาศัยเลี้ยงโคผู้อาศัยเฝ้าสวนสวนมะม่วงกลังออก ทั้งสุกทั้งห่าง้งกลังดิพอดิพอดีอยากกินก็กินไม่ได้ไม่เหมืองเราจะดูแลสวนถ้าไปจะได้กินก็แล้วแต่เจ้าของเให้เขาให้นึ่งมากก็ได้ไปกินได้ส้อมให้สอมมาก็เอาไปกินไม่เหมือนเจ้าของเจ้าของนี่กินตามต้องการต้องการกินทอาไหนกินมากกินน้อยเท่าไหร่กินได้ตามต้องการแต่เราเท่าที่เขาจะให้เพราะเราเป็นคนดูแลสวนรับใช้ รับจ้างดูแลสุขหรือคนเลี้ยงวัวเงี้ยต้องการดูน้ํานมจากวัวต้องการดื่มนมวัวเท่าที่เขาให้วันละวะลันละเท่าไรวันละโจกเราก็ได้แค่วันโจ๊กเอาเกินนั้นก็ไม่ได้เพราะอะรเพราะเราไปดูแลวัวรับจ้างเลี้ยงวัวรับจ้างเลี้ยงวัวได้ค่าจ้างจากกาเรเลี้ยงวัวเราจึงได้ บริโภคผลมะ ม, ม, ม่วงได้บริโภคน้ำนองจากวัวไม่เหมือนเจ้าของเจ้าของก็กินทลายก็ได้กินตอนไหนก็นได้คือเจ้าของพดยเฉพาะู้ที่เป็นที่เป็นธรรมผู้ที่มีสินมีธรรมทูตผู้ที่ได้อ่านได้ธรรมผู้ที่ได้บรรลุธรรมตัวเยพาะ อ, อย่างเป็นพระรอรหันต์นี่ปัจจัยทั้งสี่ท่านไม่ไมต้องพิจารณาอะไร มาสวยมาฉันมาอะไรอะไรฉันง ไ, ไม่ต้องพิจรารณาอะไรเหมือนเจ้าของบริโภคอย่างนายแต่พวกเราเป็นผู้อาศัยผู้ที่ได้คุณธรรมถึงขนาดนั้นท่านเป็นเจ้าของศาสนาแต่พวกเราเป็นเป็นแค่ผู้อาศัยศาสนาเพราะคุณธรรมยังไม่มีในหวัวใจของเราเราจะอ่านคำว่าขี้เกียจขี้ขัน ขี้เกียจทำมุ่งขี้เกียจทำหม่ได้อ้างไม่ได้อ้างแล้วไม่มีอะไรดีผลรายได้ไม่มีความเป็นอยู่หายใจฟดๆ อ, อ้างไม่ได้ว่าขี้เกียจอีกทั้งเราต้องทำเรามีกำลังมีมือมีตีนทำได้อใสยความขี้เกียจอี่การอ้างแล้วไม่ทำไม่ได้มันก้าเราไปรับจ้างเลี้ยงวัว เขาไปรับจ้างเฝ้าส <inen noise> ่วนออไม่ทําไม่ได้อ้าวไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ค่าจ้างแล้วทีนี้ไม่ได้ค่าจ้างแล้วอค่าจ้างก็ให้เป็นวันเป็นวันเป็นวันรับอ้าววไม่เลี้ยงไม่ไปไม่เอามันก็ไม่ได้แต่เพศนี้เราปฏิเสธไม่ได้เราปฏิเสธว่าเราไม่ไปไม่ได้เพราะเพศของเราเป็นเพศภาวะที่เราต้องต้องต้องใช้ ของใช้ทุกอย่างนับตั้งแต่ของใช้ของเข้าป่าเป็นอาหารเป็นอะไรต่างๆเราต้องใช้ทุกวันของที่เราใช้ในคราวจาเป็นประจำวันเนี่ยเป็นของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราอ่าไม่ได้อันนั้นเมื่ออยากทําอยากให้ใครจ้างเขาก็ไปไม่อยากได้เขาก็อยู่บ้านไม่ใช่คนละอย่งางคนละเรื่องแต่เป็นข้อประมาณส่วนหนึ่งที่ย่อมประมาณให้ฟังเท่านั้นเอง โดยแ ท, ท้จริงไม่ทำไม่ได้ต้องทำไม่ทำก็เป็นนี่ไม่ทำก็เป็นนี่ยิ่งบริโภคยุบริโภคทำน้นทานี้อยู่ทำข้อมาตทำอะไรเต็มอัตราสึกเหมือนกันนแต่เวลาบริโภคไม่พิจารณาเป็นนี่ไม่ได้ทำความสาคัญในสิ่งที่เราจะพิจารณานั้น เป็นนี้บริโภคด้วยความเป็นนี่ยิ่งเรามีโทษติดตัวมีอกบัตติดตัวอันว่าพยายบริโภคบโภคดยความเป็นขโยนี่เราเทียบได้หมดเลยสินห้าสินแปดสินสิบของสมณีสิสรยี่สิบเจ็ดของพระเราเทียบได้หมดขึ้นชื่อว่าไม่มีศินแล้วคือม่มีคุณสมบัติทำลายสิด้วยแล้วขาดคุณสมบัติ าอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าอาศัยศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นโทษภารขิจเกียรติไม่ได้ต้องขยันขยันนอกจากเราจะมีผลรายได้แล้วมันก็เป็นการส่งเสริมคุณสมบัติให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราสิ่งที่ไม่ได้สิ่งไม่มีก็จะเริ่มได้ก็จะเริ่มมีสิ่งที่ไม่เปลยนก็จะเริ่มได้ก็จะเริ่มเปลี่ยน ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้อาหน้าก็ยากอะไรก็ยากเลยเขาไม่ทำอยู่เ ส, สียยาก็ต้องทำต้องกดต้องทนต้องจัดต้องทำไม่มีทางไปเลยหันหน้าสู้อย่างเดียวถอยไม่ได้หนีไม่ได้หนหน้าสู้อย่างเดียวได้มากไปไหมก็ต้องสู้ได <texts> ้มากไปน้ยก็ต้องท่อง ไม่ท่องไม่ได้ในน้อมากน้อนไนน้อยก็ต้องสวดไม่สวดไม่ได้ได้มากในน้อยก็ต้องขยันไม่ขยันไม่ได้ขนาดขยันแล้วมันไม่ค่อยอยากจะได้ขี้เกียจที่ข้ามันจะไม่ได้อะไรเรามาเทียบดูอย่างนี้อ้าวเราเกิดมาเพื่อทำเราเกิรมาเกิดมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับตัวเองทําประโยชน์กับส่วนรวมสังคมเพื่อระศาสนาไม่ทําไม่ได้ เอามันอย่างนี้เลยจับยัดปากกิเลสตัณหาในหัวใจมันขี้เกียจที่ค้านมาไม่ได้ไม่ได้บอกมันเลยไม่ได้มันขี้เกียจไม่ได้ต้องขยันไม่ขยันไม่ได้ปฏิเสธอย่างเดียวกระต่ายขาเดียวเลยอ้างไม่ได้ผลพันให้มันไม่ได้นี่ดับอย่างนีมจะไปไหนมันอ๋อเขาได้เขามีอย่างนั้นเขาสบาย่ไ เขามีนี่รับสบายนี้เขามีความสุขอย่างนั้นเขามีความเพลิเพลิน อ, อย่างนั้นไอ้เราทําไมมันต้องงอมืองอตีที่เกียจที่ค้างอยู่เทียบเคยืกันไปเทียบเคีย่อนข้นมาเราไม่ขยันเราไม่ฉลาดเราไม่รู้เราต้องขยันขยันรู้ขยันต้องขยันศึกษาไม่ใช่อยู่ศัพท์ว่าอยู่ขยันรู้ขยันต้องขยันมันเพียนอดทนเอา ขี้เกียจขนาดไหนมันก็ต้องทํามันก็ต้องได้นเมื่อทำทำทำทั้งทําำทั้งทั้งทั้ทั้ั้งขี้เกียจที่ค้างถ้ดูจะร่วงร่วงชักมันทั้งใหญ่ทําแน่มันก็มีผลขึ้นมาทําด้วยความขี้เกียจแล้วอย่งเราดูเลยดูความขี้เกียจเออมันขี้เกียจดูดูย้อนไปดูความขี้เกียจดูไปดูไปไอขี้เกียจมันก็เป็นกิเลสมันก็หายไป ขีเกียรที่ไหนมันจะกองอยู่ในหัวใจตลอดไม่มีเราเจาะก็ไปหามันหายไปแล้วเจาะก็ไปหามันหายไปแล้วแห่มึงไม่เห็นทนวะกูเจาะสติเจาะความนึกคิดเจาะปัญญาไปใส่มึงก็หายไปแล้วมึงเห็นมึงอยู่กองหัวใจกูได้่ะต้องทนต้องต่อสู้คนไม่ทนไม่สู้ไม่ได้ดอกมมึงมองีนไม่ได้ ชีวิตเรชีวิตท่านมีแหละโลกนี้โลกกองทุกโลกต้องสร้างโลกต้องทําเอาไม่ใช่โลกมันนอนสวยเอาเฉยเฉยสวยเอาไม่ได้นอนนอนเอาผลไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้สร้างเหตุต้องสร้างเหตุให้ได้สร้างเหตุให้พอไม่สร้างเหตุรอคอยนอนคอยแต่ผลผลที่นั้นจะมีเมื่อเราไม่สร้างเหตุไม่มีผล เราไม่ได้ปลูกพืชเพาะพันธุ์อะไรเลยจะเอาอะไรงอกเงยมาให้เรามันไม่มีผลตอบแทนเรานึกอย่างนี้เราก็ปูกฝัตัวเองสร้างนิสัยคําสัพพยาคว า, ามเพยียรความเพียงเห็นประโยชน์หัดนึกหัดคิดหนะัดพิจารณาเห็นประโยชน์ขนาดนก็ได้ก็นเป็นอยู่โ้อัอนั้นเราก็ไม่ได้นะ อันนี้เราก็ไม่ได้คนอื่นทําไมเขาได้เราทําไมไม่ได้นอกจากเราไม่ทำเท่านั้นเองคนที่เกียร์อีค้านเลยเขาบ่าคุณงอมืองัวตีนมีมืออยู่มือสลับทํางานงอมือไม่ทํามีตีนไม่เดินพี่เกียร์เลยก็ดู ก, กระร่วงพี่เกียร์ก็ชัหมืออ่กูจะทนะําเ น, นี่ยอ่าวสักหน่อยเดี๋ยวมาขายันมาคนอื่นเขากขายันเขาได้ ไม่ม ja, ีใครเปลีนมาตั้งแต่ในท้องแม่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครฉลาดมาตั้งแต่ท้องแม่ไม่มีเรกมงฝึกเอาทั้งนั้นแหละมีคนที่เขาเป็นเหมือนเขาได้ไหมตั้งแต่ในท้องแม่ไม่มีเรามาฝึกเอาทั้งนั้นหละโยเขาเก่งเขาฉลาดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มีไฟหรือเขาเป็นช่างเขาฝึกซ้อมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่กูมันยึดจับมาฝึกซ้อมอยู่ทั้งแต่อยู่ในท้องแม่มีเรก ออกมาฝุกเอาทั้งนั้นแหละเขาทําได้เราทํำไมเราจะทําไม่ ไ, มได้เขาดีได้เราก็ต้องดีได้เขาเปลี่ยนได้เราก็ต้องเปลี่ยนได้เขาทําได้เราก็ต้องทําได้นี่ลูกเดียวขนค่อยก็มันไม่ได้อ้าวมุมกองเกตกายอยู่ในหัวใจกูได้กูพยายามดูยายามเวียนพิจารณาทํางหมดจ่อโดมึงจี้มึง จ, มนจนละลายหายไปให้หมด ตั้ใจดูอยู่อย่างนี้ไม่ยอมมันอะยอมทําไมนี่ตั้งความภากความเพียรความอุตสาหะมาอดได้ทนได้สู้ได้เท่านั้นแหละมีปัญหาอะไรดอกมีปัญหาตัวเดียวตัวขี้เกียจนั่นแ่ะขี้เกียจดีคาร์ดูมันอะไรขี้เกียจถามมันสิอะไรขี้เกียจถามใจขี้เกียจหรือมือขี้เกียจหรือเตีนงขี้เกียจหรืออะไรขี้เกียจ นูน่นตัวตันขามกระสิบกระซาบใจแล้วนะนัน่นนะมันมาใยญ่ตรง น, นั้นแหละมีเกียร์ขี้ค้านมองไม่เห็นประโยชน์ตัวนี้เป็นตัวศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดต่อการได้ลุกมรรคผลนิพพานะตัวขี้เกียร์นี่แหละตัวเดียวนี่แหละเป็นตัวมหาภัยเป็นตัวศัตรูตัวที่ร้ายกาจที่สุดใ น, นใใหัวใจของเราดูไป จิ้มเข้าไปที่ใจอาวันนี้เขาสกวนเยอลาพวกนี้เขาวันใกล้นะไอคนที่เขาไม่มารับทุนเขาจะแล้วแบบเน้นให้เขามานะะรับเขาจะแล้วมันบอกไม่ทั่วถึงหรอกบอกไม่ทั่วถึง นีนวันนะปวดศอกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ปวดศอกอ๋อกลับง่ายในบ้านไม่มีใครมาตัวนี้ ไม่ให้กลับบ้านไม่มีะอ่า